ต่อไปกำมนดูบทสวดวิธีนะสองข้อนะช่วยจบแล้วมมีปัญหาครับข้อที่เก้าสเอนะครับวสวิธีหน้าหนึ่้ปดสิบเ็ข้อที่เก้าสิบเ็สูงผู้ประสงค์จะให้ทำผ้าอาบน้ำผลเพิ่มกระทำให้ได้ขนาดคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคำแสดงขณะของผ้าอาบน้ำผลนั้นคือด้านยาวพืชพรสุคดด้าน กว่าสอง ค, อครึ่ึ่งเมื่อทําเกินกว่านั้นต้องอาบัดปาจิตตีที่มีกัฟฟกัเปรี่ินัยกรรเชษะนักกับปาจิตตี <c oughs> ผ้าหนังฝนเนื้อยาวมากเลยนะใหญ่ามากนะครับผ้าน้ําฝนก็เอาไว้ใช้อ่านน้ําฝนใช่ไหมอธิษฐานใช้เป็นผ้านน้ําฝนได้ตลอดสี่เดือนนี้นดูฝนนะครับตอนี้พอเราดูดูฝนแล้วก็อธิษฐานาวิกัดวิกัดเก็บไว้นะครับ ขนาดก็ด้านยาวนะหอกคือระสุพจ์ได้กี่เมตรกี่เซนครับาได้กี่เมตรสี่เมตรครึ่ง น, นะครับเฮ้ยเนี่ยนะน่าผานท้ผลนะครับยาของจีวรเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไมต้องกลัวเกเลยนะครับไม่ต้องกัวเกินเลยของเราเนี่ยด้านกว้า น, นะครับสองครึบครึ่งครับคบครึ่งเมตรเมตรแค่สองครบนะสองครบครึ่ง น, นะครับ คก็ไม่าผเครับอีกครึ่งครับถึงถึงไหมยไม่ถึงตัดนี้ล่ลองคิดดูนะครับเจ็ดสิบห้าหารสองเท่ากับสามสิบเจ็ดครึ่งใช่ไหครับสามิเ็ดครึ่งไปบวกกับร้อยห้าสิบเป็นร้อยแปดสิบเจ็ดครึ่งครับ ได้เมตรนะครับตัอีกแปดสิบเจ็ดครึ่งครับก็ร้อยปดสิบเจ็ดครึ่งเซนนะโอ้ยว่าไม่ต้องกลัวนะสมัยนี้นะครับคงไม่มีใครทำใหญ่เกินนี้นะไม่ต้องกลัวว่าที่มกลยังไได้นนะ <c oughs> คงตัวได้เลย <c oughs> มั้งก็ใช้นุ่งอามนะมนเดีนะน <c oughs> ก็เหมือนกันครับข้างอนะ่กส เดีายแม้แต่ยางกว่ายากว่ า, ย า, ว า, ย า, วายเยอะหน่อยนะครับก็ต้องตัดนะถ้าทําเกินนะครับต้องตัดนีน่แสดงว่าแบบนี้มันดูต้นมันใหญ่นะครับต้นมันใหญ่ก็มาจากพระฉับพระีนะครับโดยสมัยนั้นพระ พ, พุทธเจ้าปรทําอยู่นะพระเชตวนัน อารามของอนันตบิิกาห้าบดีเขตพระนครสามวัีครั้งนั้นคิณมาผาเจ้าทรงนิยาผ้าน้ำผลแก่ที่สุดทั้งหลายแล้วจาต้นมันอย่าได้ไหมคือเจ้าทรงนิยาาผ้าน้ำฝนอ่ะเพราะอะไรครับก็ที่สุนนแอแก่ผ้านะครำที่ใดที่หลับอ๋ออ่าสามใช้ใช้คสาวใช้ก็เจอแต่ คมีผ้ามิสูผ้ามีสูแก้ผ้าอาบน้ำฝนเลยนะครับก็อาบน้ำผนจริงนะองกลางแจ้งเลยท่าเราถอดสสบงจีวงเอาหมดเลยนะครับก็รองจั่นงั้นแหละนะแต่อาบน้าฝนอยู่นะครับขอดินวิสาขส่งสาวใช้มานิมนต์พระนะครับก็มาถึงเวลาไปฉันแล้วพอสาวใช้มาถึงเอ้าเหม็นผ้าเลยมีแต่ชีเปื่อก็หาอาน้ำมาอยู่ นี่ครับก็เลยเป็นเรื่องเวลานะเป็นเหตุท้าวิสาขานก็เลยขออนุญาตที่จะสวารคผ่านน้ำฝนนะครับโดยแสดงเหตุผลว่าการเปยการเนะ น, นี่ยไม่น่าไม่งานใช่มครับหรืว่าน่าเกียดไม่งานนี่นะก็เยกรงก็เลยสมวญาติผ่านน้าฝนตั้งแต่นั้นมานะครับนี่นะพระสมบัติรู้นะครับว่าท่นพ่อป้าจ้าทรงอนุญาตผ่านน้ำฝนแก่สุดท่าไหร่แล้วจึงใช้ผ่านน้ำฝนไม่มีประมาณ ป่อยเลื้อยลงข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปบรรดาพสุทีนผู้มั่งน้อยสันโดรแต่ก็เพ่งตัวิดเตียงพุทรนาว่าฉนัยปัจจุบันคีจึงได้นุ่งผ้าน้ําฝนมาอยูประมาณเล่าแล้วกล่าวเร่งนั้นแต่เมื่อพระเจ้าพุทโธ ก, ก็ทรงสอบถามทรงติเตียงปัจจุบันคีแล้วก็มายักษ์ขานบทนี้ขึ้นมานะครับคำอ่ิบายในเมือ่อกานทั้งอย่างละครับนี้ โอ้โ ห, โโหโ ด, ดูในกลางขาเนี่ยนิดเดียวเลยครับสบายเลยกลางขาหน้าสองหกสิบสามนะข้อที่ตก้านะครับอธิบายวสิกาสาติตกาสิขาบทในสิขาบทที่เก้าพุทธภาคเก้าทรงปรที่สุขบังคีในเมืองสามาัคคีบรอย่ัติไปแล้วเพรเหตุคือการใช้ผ้าน้ำฝนเกินขนาดคําที่ยืดพึงกาคําที่ยืดพึนกาที่เหลือ เพิ่ทราบโดยนายดังกล่าวไว้แล้วในเรื่องของพระราชธนนะแรจบการอธิบายว่าสิกาสาธิการสุขาวดจบนะครับไม่ต้องไปผ่าชาย <c oughs> ม้วยชายนิทานผลนก็เหมือนสบองแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีอนุวาค ก, ก็ได้ใช่ไหครับย้อมพอเสียสีก็ใช้ได้แล้วะก็มานุ่งนะครับในฉีดยังไม่ดูฝนเหมือนกันอบาบแล้วก็เหมือนกันบทำเองก็ดีใช้ทำคนดีเท่านั้นแะ ต้องมาทุกข์กดได้นะต้องบรรพามจิตตีนะครับทําเพื่อผืนก็ต้องทุกข์กดด้ที่ผืนทําไว้เสร็จแล้วมาใช้สร็จก็ต้องทุกข์กดใช่ไหมนะครับถ้าต้องไปตีเพราะทําเกินประมาณก็ต้องตัด ก, ก่อนให้ได้ขนาดหรือว่าหย่อนกว่าที่จะปองอาบัดตกการนี้เรยว่าคาที่บายเหมือนกันจบการที่บายว า, าสิกะสารติกะสิกขาบทดนะครับโอ้นะะในอาณาบัดมีนิดหนึ่งนะนอานณาบัดนี้ฟังนะครับ อนาบัดก็คือทําผ้าน้ําฝนได้ประมาณพอดีไม่เป็นไรนะครับทําผ้าน้ําฝนหย่อนกว่าประมาณไม่เป็นไรได้ผ้าน้ําฝนที่ผู้อื่นทำเกินประมาณมาตัดแล้วใช้สอยนะครับทาเป็นเพดานก็ดีนะครับเป็นผ้าปูที่นอนก็ดีถ้าผ้าปูที่นอนด้านมีปัญหานะใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ใช่มผ้าปูที่น้อนไม่ได้ถูดขนาดนะครับทําเป็นผ้าม่านก็ดีนะครับเป็นเผลือพวก้บริเป็นปลอกหมอนก็ดี พิสูจนวิจารณิสิพิสูจน์อธิกรรมมิกระไม่ต้องอา่านบัตรแล้วนี่คนนิสิตธานี้ไม่ได้บอกองนะองค์ก็องสองเหมือนกันนะครับองสองคืออะไรเนะี่ยก็คือเป็นผ้าอ่านน้ำที่เกิขนาดใช่ไหมนะครับแล้วก็สองนะทําเองหรือใช้พื่นทําได้มานะครับองสองเหมือนกับ น, นิสิตท่นะนะ <c oughs> เราเปลี่ยนแต่นิสิตทนะเกินประมาณใช่ไหม ถ้า <C oughs> มาเป็นภาคแล้วผลกันประมาณทำเองหรือว่าใช้ทําแล้วก็ได้มาเหมือนกันการครับการเกิดครับซึ่งมันฐานหกเลยไม่ใช่นะคราบมันเดงครับหกเลยใช่ไหมหกเลยนะคะอันนี้นหกเลยถ้าไม่มีจิตมันเป็นยังไงครับไม่มีจิตไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรคไรับก็ทเาเป็นข้ามศู ไม่รู้ว่าทางพี่ผ่านนะไม่รู้อะไระใครบอกได้อาิ่ออใครก็ได้เขาไม่รู้อะไรถ้าไม่มีจิตนะันไม่เก่แค่จูเดินไปยงตกอีกอันนี้ตรงนี้เขาพูดถึงอะไรที่เป็นอาบัพ่ออะไรไม่รู้เยไม่รู้ว่าเกย์ขนาดนะครับแล้วเขาจะว่าพอดีใช่ไหมทนที่มันเกยไปแล้วนะครับทะานั้นไม่มีจิตนะเพราะว่าไม่รู้ตรงนั้นนะครับนั้นก็ต้องอาบัต นี้กลัมาดูนในบสสทสวิธีเลยนะครับหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดข้อที่เก้าสิสองนะครับไปอีกตีข้อสุดท้ายแล้วนงะสุดท้ายสุดใลนะครับอันนี้ที่สุดรูปใดให้กระทำจีวอน ข, ขนาดเท่ากับจีวอนระสุคตหรือใหญ่กว่าต้องอาบัดปาจิตตี<ม>ที่มีการสา<ม>ดเป็นวินหายกรรมเสถนาคปาจิตี ถ, ถ้าไม่ต้องขา อย่างอื่นมีคำเป็นข้าม้าหรือไทราเป็นต้นคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคำแสดงขนาดของซีวรลทัสตนั้นคือด้านยาวคำว่าหกเปลี่ยนเป็นเก้านะครับสีขาวนวัตชิตโยนะครับเก้านะด้าวเก้าคือพสุค้นนะครับด้านกว่างขอคือพัสุค นี่เป็นขนาดของจีวรพระสุคตสมัยนี้คงไม่มีใหญ่เกินนะครับลองนึดูว่าก้าคลื่มได้เท่าไหร่ครับผมแม็กซ์เจ็ดสิบห้านะครับไม่มีใครจีวรขนาดนี้แน่ถ <c oughs> ้า <c oughs> สองถึง <คน S 1> ยังไม่ถึงใช่มั้ยังไม่ถึงนะครับเจ็ดสิห้าเซนนด้านกว้างก็หกพระสุคตนะครับ สี4 degree, 4. Over over here, ่เมขดครึ่งเนี่ยสี่เม็ดห้าสิบในหน้าอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีใหญ่เกินอยู่แล้วใครจะตัวสูงัดตัวยุเกะเกคตัวสูงขนาดกระหง่าสีเมคือให้น้าเนี้นี่เนอกตัวสูข้อคนที่ประเทศจีนใช่ไหมสมัยก่อนมีอยู่ขนอหนึ่งสองเม็กว่าใช่ไหมครับสองเม็กว่าใช่ไหมตัวสูงที่สุด เดินได้ครับแต่ว่าผอมๆหน่อยนะตอนนี้ถือวตายแลครับอ๋อตายแล้วใช่ไหมครับเล่ะปอา่นตัวที่เลกใัคที่เล็กที่สุดเลยนะอครับเล่นไปตอเลนปตประเทศนะไม่เเลยใช่ไหมไม่ใช่ประเทศไทยแล้วมีผู้หญิงคนแรกๆนะคนแข็งอันนี้เป็นคนที่ส่งลูกแรอ๋อครับอันนี้ออ๋อครับ ที่ประเทศไทยก็มีคนิที่สมบูรณ์แบบสินคมเมื่อก่อนสมบูรณ์แบบทอย่างนะแต่ตัวเล็กๆแต่ว่าที่จีนเรกกว่านะมันก็เหมือนกันเด็กแต่เล็กๆใช่ไหม้มาใส่ความมือนะอืมค่ะทีนี้มาดูต้นมันใหญ่ขึ้นนะโอยมนุษยต้นมันใหญ่แลมันต้ใหญ่ มันใหญ่มาจากใครครับคนสมัยก่อนก็ตัวใหญ่นะครับก็ธรรมดาบุญิกาก็ใหญ่นะเรื่องพระนันทะนะครับโดยสมัยนั้นพุ่ธภาพพเจ้าประทุมอยู่นระเชตวันอารามของนันทะบิดิกาข้ามพดีเข็พระนครสามัถีครั้งนั้นท่านพระนันทะโอรถพระมาตุชาของพระพากเจ้า ข่านั้ท่านเป็นพระอนุชาใช่ไหมคือน้องชาพุทธเจ้านะครับเป็นน้องชาต่างมารดาใช่ไหมเป็นลูกของพ้านางมหาประชาบดีโคตมีใช่ไหมครับมันจะมีพ่านั้นทะและก็นางลู ป, ปนันทาใช่ไหมครัองคนนี้นะใช่ไหมครับนี่นะเป็นพระอนุชามพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ทรงโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจรูปงา น, นครับมากเลยนะ ต่ำกวามมา่าพระพ่างเจ้าสี่องค์รุรีนะครับท่านทรงจีวรพระสุขอนพิสุทเเทละได้เห็นท่านพรานัน้ามาแต่ไปนะครับเพราคัญนะว่าพุทธเจ้าสเสร็จมานะพรเห็นแต่ไกลมันต้องมีท้าคลองและคล้ายๆมากใช่ไหมเพอาะเนพระนุชานะครับท่านบอกว่าพระเทระนะพระเทระหลายองค์อยู่นะครับมีมหาบุรุษลักษณะเหมือนกันนะไม่ใช่พุทธเจ้าองคเดียนะครับแต่ว่าไม่ครบนะครับ มารุริรสลักษณะของพระเจริญชัยเหลือมีเหมือนกันนะแต่ว่ามีไม่ครบทั้งเท่าไห ร, ร่นะครับสนามสิบสองใช่ไหมครับมารุริสลักษณะนะครับพรานุเพียนชยนะ8ปดสิทใช่ไหมอมืครับเนี่ยนะท่านข้อเจอพระองค์เสดมานะครับทันแล้วลูกจะอาสนะสำคัญว่ามี่พระเจ้าเสาดมาท่านผนันท่าเข้ามาใกล้ จ, จึงจได้เนี่โอ้นั น, านทาเนี่ แล้วเพ่งเข้าดิเจมปูตนาว่าฉนัยข้าพเจ้านั้นแท้จึงได้ทรงจีวรเข้าจีวรของพระสุคดเล่าและกระผม่องนั้นแต่งเมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงสอบถามทรงติเตียนนะครับแล้วก็บริษัทแบบนี้ขึ้นมายังยังลิ้มลายหน่อยมันเป็นอ๋อครับอ๋อคำพิบัติเหมือนกันนะในการถามมันพูดถึงแล้วนะทำเองก็ดีใช้ปุ่นทำก็ดี เป็ทุกกในประโยคที่ทำแหละนะเป็นปาจิตติได้กี่วอนมาพื้นต่างเสียแล้วจึงสแสดงอารมณ์ตกผมจะเนี้อฟังทั้งหมดแล้วกันจะถูกกาวไปจีกตก็เหมือนกันนะตนเองทําค้างตนเองทําต่อใช่ไหมครับตนเองทําค้างใช้ผู้อื่นทําต่อผู้อื่นทําค้างตนเองทําต่อผู้อื่นทําค้างใช้ผู้อื่นทําต่อเพื่อตอนต้องไปจีตทั้งนั้นนะครับทาเองก็ดีใช้ผู้อื่นทําำก็ดีเพื่อเประโยชน์แก่ผู้สุขอื่นต้องบัตุกฏ ด้าจีวรที่ผู้อื่นทําเสร็จแล้วมาใช้สอยตอกบัดทุกกฎนะครับอนาบัด ก, ก็คล้ายกันทําจีวรหย่อนกว่าประมาณได้ครับไม่เป็นไรของเรานึ่หย่อนอยู่แล้วนะด้าจีวรที่ผู้อื่นทําสําเร็จแล้วมาตัดเสียแล้วใช้สอยให้ได้ขนาดกอนให้มันแล้วก็ใช้ได้หนึ่งครับทำเป็นผ้าถึงเพดานก็ดีทำเนผ้าภูพื้นก็ดีทําเป็นผ้ามากก่ากก น, น, กมนก็ดีทางเปื่พวผูกุลีทําเป็นปลอกหมองก็ดี พิสูจนวิจารณ์ิทธิพิสูจน์อธิกรรมิก ร, รมไม่ต้องอาบัตรแรกนะครับนี่นะมันมีในกางฐานนะครับไม่ดีการฐานนะครับมาสองหกสิบสามข้อที่สิบอธิบายนันทะสิกขาบท น, นะครับในสิกขาบทที่สิบมีมพระพากเจ้าทรงปราบท่านพระ น, นันทะในเมืองสาบถีนะครับบรรยัติไว้แล้วเพราเหตุคือการใช้จีวรที่มีขนาดเข้ากับจีวรของพระสุคต คาที่เหลือมีในดังกล่าวไปแล้วในเรื่องของพระนิสิทตนะอะไรเนะหมือนกันนะอาบัตก็มีองสองแหละเป็นจีวรที่เกินประมาณใช่ไหมทําเองก็ดีใช้คาก็ดีได้ามานะครับจบการอธิบายนันทศิขาบท น, นะครับอัตนาวัตที่เก้าจบนะครับการอธิบายหมู่ปาจิตตีล้วนในตักถาประปาติโมชื่อว่ากังขาวิจรณีจบแล้ ว, วรูปการชนิดนะ นี่กันนี่กันอ่านใ น, นวัสดวิธีนิดนึงให้จบก่อนตอนนั้นน่ะมันจะมีสรุปงานสุขสขาบหนนะ่ะหน้าร้อยแปสิบแปดนะครับเราดูใ น, นวัสดวิธีนะท่านตั้งหลายอาบัตที่ชื่อว่าปาจิตีเก้าสิบสองสุขาบหน้าข้าพระเจ้าแสดงแล้วข้าพระเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในอาบัตปาจิตีนี้ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองและข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สาว่าท่านทั้ ง, ห, งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์จะอาบัติปาจิตตินี้ดังนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความข้อนั้นไว้ด้วย อ, อาการอย่างนี้ปาจิตติยุเทธะจบนะครับ บายนะโอคงจะทำเวลาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำใช่ห ม, มน่ดีษา้นามันพลาแนละ้ว่อมาถาเป็นาหาถาจริงหนะนะค่จะจบเลยนะเป็นเอวิ่งซิ เพราะไม่ถึงใช่ไครับพอไปเรีนมีเยอะจบมีข้ามปที่ก่อนก่อาออไม่ข้ามไปตังค์ดับนะถ้ามันจบมีร่างก็ไม่นอกข้ามหรอกนี่นะไมไหนก็สบายสบายออไม่สมบูรณ์มากแต่นนั้ก็ไม่ยากมากครับง่ายง่ายจบแล นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในท่านสินี้ขอความจเจริญงอกงายมวินัยของพระสมณะสุตตเจ้าจงเกิดขึ้นหหายด้วยกันทุกท่านเถิดทุสสะทุสสะ